ฟังธรรมกันเนาะการฟังธรรมก็เหมือนการย้ำเตือนย้ำเตือนความจริงนะธรรมะนยะก็คือความจริงนะนะคือกฎของธรรมชาตินะที่มันมีเหตุมีปัจจัยทำให้มีสิ่งนี้นะ ขึ้มาก็ทําให้เกิดสิ่งนี้ตามมาเนี่ยนะเรียกว่ามีเหตุมีปัจจัยนะธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าเกิดมาแบบ ล, ยลอยๆนะเนะไม่เหมือนถ้าคนเชื่อเรื่องคล้ายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเรื่องโชคเรื่องอะไรนะมันเหมือนไม่มีที่มาที่ไปนะมันเหมือนแล้วแต่ว่าเออ เทวดาแล้วแต่ว่าพระเจ้าแล้วแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจะทำให้เกิดอะไรก็ได้นะมันเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเรื่องที่สิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งเรยกรับสิ่งที่มีอำนาจมากกว่าเราเป็นคนบรรดาลให้นะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพวกเราเช่นนั้นนะท่านสอนว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดแต่เหตุนะ มันมีเหตุนะมันทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาทันะ้นนั้นนะถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันส่งผลให้เกิดเป็นทุกข์นะการที่เราจะดับทุกข์เราก็ต้องดับที่เหตุของการเกิดตรงนั้นแหละจะเรียกว่าสอนเป็นเรื่องของเหตุของผลนะเป็นเรื่องของหลักที่นะ เป็นดักที่เรียกว่าสามารถอธิบายได้สามารถตรวจสอบได้นะเนี่ยธรรมะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มันมันเป็นความจริงเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราเราสามารถที่จะดูได้ด้วยตัวของเราเองนะในส่วนหนึ่งก็ธรรมะก็คือเรื่องของภาคการปฏิบัติด้วยนะนะ คือการได้ยินได้ฟังเหมือนเป็นการที่เราได้เรียกว่าปรับนะปรับทิฏฐิปรับความเห็นให้ถูกต้องมากขึ้นนะแล้วก็เป็นการปรับใจ้ดยขณะที่ปฏิบัติธรรมบางทีมันก็มีความสงสัยมีความติดขัดนะหรือว่ามีความไปต่อไม่ได้นะมันก็ การฟังธรรมนะมันก็เป็นการค่อยๆปรับนะสิ่งใดที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้นะสิ่งใดที่เราติดขัดก็จะได้แก้ไขไปสิ่งใดที่เราจะเดินต่อเราก็รู้แนวทางที่จะเดินต่อนะอันนี้คือธรรมะในส่วนของภาคการปฏิบัติที่จริงมันก็สอดคล้องกับความจริงนั่นแหละนะเราจะเรียกว่าเราจะปฏิบัติ ทำอย่างไรให้ให้มันสอดคล้องหรือให้มันตรงกับความเป็นจริงนะที่พระเจ้าท่านสอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้าจะดับก็ดับที่เหตุตรงนั้นนะก็เราก็ดูว่าเนะี่ยเช่นพราะสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนจริงจริงท่านเน้นนะเน้นเรื่องความทุกข์นะมันเกิดได้อย่างไรนะแล้วก็การดับทุกข์จะดับได้อย่างไรนะ คำว่าเหตุเหตุของเกิดทุกข์เป็นอย่างไรนะจะดับเหตุของความทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยก็ถ้าสอนเน้นที่ตรงนี้นะนะถ้าเราศึกษาธรรมะจริงๆเนะี่ยศึกษาแค่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เนะี่ยคือเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เหตุในการดับทุกข์เนะี่ยนอันนี้เรียกว่าอริยสัจสี่นะศึกษาตรงมาที่ตรงเน้นนะคือเรียกว่าเป็นแก่นเป็นแกนคําสอน ของพระพุทธเจ้าเลยนะท่านจะแสดงธรรมบทไหนแสดงธรรมกับใครนะมารวมลงที่อริยสัจสี่ทั้งนั้นนะแม้ขึ้นต้นอะไรอาจจะมีอย่างอื่นบ้างแต่ก็มารวมลงที่อริยสัจสีทั้งนั้นนั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็มารวมลงที่ตรงนี้นะให้เรามาดูว่านะ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอะไรนะมันมีเหตุนะอย่างเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องแก่ต้องตายนะั้นก็มีเหตุนะเหตุก็คืออะไรก็คือการเกิดพระพุทธองค์ก็บอกการเกิดทุกคราวก็เป็นทุกข์ร่ำไปนะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องทุกขนะ์เราไม่สามารถหนีทุกข์ได้หรอกนะต้องยอมรับเลยว่าเกิดมาแล้วต้องเจอทุกข์นะ เพราะว่ามันมีร่างกายมันมีร่างกายร่างกายก็ต้องเป็นทุกข์เพราะร่างกายมันก็แสดงความทุกข์ให้เราเห็นทุกวันร่างกายมันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่เด็กแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาเป็นทุกข์ตอนเราแก่ไม่ใช่จะเป็นทุกข์มากตอนเราตายจริงร่างกายมันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่เด็กแล้วนะหิวข้าว ตั้งแต่เด็กก็หิวนมนะก็ร้องไห้งองแงอยากกินนมกับแมนะ่โตขึ้นมาก็หิวข้าวหิวขนมนะคนหลงผิดหน่อยนะโตขึ้นมาก็หิวเหล้านะหิวยานะมันเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะร่างกายมันมันมีความหิวบนะางทีก็หิวเพราะความจาเป็นของร่างกายนะ บางทีก็หิวเพราะความอยากกิเลสล้นก็ ม, มีการที่จะดูแลร่างกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เราก็อาศัยปัจจัยสนะี่เนาะมาดูแลร่างกายอาศัยคนอื่นมาช่วยดูแลบ้างนะตอนเราเป็นเด็กเราก็ดูแลแตัวเองไม่ได้ก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลหรือแม้แต่พอเราจะแก่จะเจ็บแล้วนะก็อาจจะดูแลแตัวเองไม่ได้นะ ก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยดูแลนะ่ร่างกายจริงๆนะมันเป็นรังของความทุกข์นะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นเรานะยึดมั่นถือมั่นว่าอยากให้ร่างกายมันดีตลอดยึดมั่นถือมั่นว่าอยากให้ร่างกายมันมีแต่สุขตลอดเนะี่ยเรียกว่ามันผิดธรรมชาตินะอ ม, มันเป็นไปไม่ได้นะ มันไม่ยอยูนะ่ในอำนาจเป็นบังคับบัญชาของเรานะนั้นธรรมะจริงๆในเรื่องของร่างกายเราก็เนี่ยแหละอืมเราก็ดูแลร่างกายรถไปนะตามเหตุตามปัจจัยที่ทําได้นะแต่เมื่อมันเจ็บมันทุกข์นะเราก็ต้องยอมรับมันนะดูแลเขานะแต่อย่าไปยึดเขานะอทุกอย่างก็เกิด ตามเหตุตามปัจจัยเนาะสุดท้ายมันก็ไม่สามารถจะยื้ออะไรได้ก็ต้องปล่อยเข้าไปเหมือนเดิมนะแต่จริงเราก็ปล่อยตั้งแต่ก่อนที่เขาจะไปนั่นแหละนะคือการมีธรรมะรู้ทันว่าความเป็นจริงแล้วร่างกายไม่ใช่ของเรานะเราแค่ยืมเข้ามาใช้นะมันเป็นเพียงแค่ธาตุสี่นะขันห้านะที่มาประกอบกัน ธาตุสี่ก็คืออะไรธาตุดินธาตุน้ํธาตุาดมธาตุไฟน ะ, ะมาประกอบกันนะประกอบกันตนะั้งแต่ตอนที่เป็นทารกอยู่ในท้องของแม่แล้วนะ อ, ออกมาจากท้องแม่นะก็ค่อยๆโตขึ้นมานะธาตุที่เป็นทารกตอนนี้ก็อาจจะดับไปสั้นวนานแล้วนะมันเปลี่ยนแปลงไปจนถ้าเปรียบเหมือนเหมือนป่าเนาะ บางทีถ้าเราไม่ได้สังเกตดีป่ามันก็มีต้นไม้โตขึ้นมานะแล้วก็ออกดอกออกผลนะก็ร่วงลงไปเกิดเป็นต้นไม้ใหม่ขึ้นมาแทนที่ต้นไม้เก่าแ ก, แก่ก็ตายไปเอาวิทยวะหรือเซลล์ในร่างกายของเราก็เป็นแบบนั้นแหละนะมันคงไม่ใช่เซลล์เดิมตั้งแต่ตอนที่เราเกิดหรอนะ แต่มันเป็นการถ่ายส่งต่อกันมาเป็นรูปเป็นร่างนะเหมือนป่านะมีต้นไม้ใหม่ขึ้นมามีต้นไม้เก่าตายลงไปเกลวในร่างกายของเราก็เป็นเช่นนั้นแหละมันสืบต่อกันนะเรียกว่าเป็นสันตตินะสืบต่อนะทำให้เรารู้สึกว่ากายนะมันเป็นมันเป็นตัวเป็นตนนะ เกิดมานน่นกวดจะดับก็คือตอนตายมันเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนยาวนานจริงๆแต่จริงถ้าเราเห็นนี่จริงนะมันอยู่ได้ด้วยธาตุจริงๆเลยนะธาตุทั้งหลายเนะี่ยมันแปรกวนนะอย่างตอนนี้เริ่มเย็นนะเริ่มเข้าหน้าหนาวนะธาตุธาตุไปก็อ่อนลงนะ นะความเย็นเข้ามาแทนที่นะคือธาตุมันไม่คงที่นะ<ม>ตอนเราเป็นไข้ไม่สบายเนะี่ยความร้อนธาตุไฟขึ้นมานะบางคนก็ไม่ได้กินข้าวก็ธาตุดินมันก็ลดลงไปนะบางคนมีปัญหาเรื่องปอดเรื่องการหายใจนะธาตุลมก็น้อยลงไปนะคือ เราอยู่ได้ด้วยความสมดุลของธาตุนะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะแต่เราก็เห็นมันไม่ได้คงที่หรอกนะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะตามโรคไฟไข้เจ็บต่างๆอันเนี้ยเราเราอาศัยว่าเรามีสติคอยเกี่ยวข้องกับเขาเนาะแต่อย่าไปยึดเขานะเราดูแล่ร่างกายแต่เราไม่ยึดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของของเรา แต่เราอาศัยร่างกายใช้เพื่ออฝึกหัดพัฒนาจิตใจนะถ้าเรามองพิจารแบบนี้นะอืมไม่ใช่ใช้ร่างกายเพื่อสนองความสุขนะของร่างกายของจิตใจอะไรที่มันแบบเป็นความสุขแบบลกโลกเท่านั้นนะความสุขแบบลกโลกนะเราก็สัมผัสได้อยู่หรอกแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปติดนะ ได้กินสิ่งที่อร่อยก็รู้สึกได้นะก็ขอบคุณโอกาสที่ได้รับประทานสิ่งอร่อยเนะได้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มใช้ก็ก็ขอบคุณนะไม่ได้ไปหลงว่าเออมันจะต้องสวยจะต้องแพงจะต้องเปลี่ยน บ, ยบย่อยๆเราแค่ได้ใช้เขาเนี่ยเราก็ขอบคุณเขาได้แล้วนะเพราะว่า เราจะ เ, าเวลาที่มันเหนือมากกว่า น, นั้นนะแทนที่จะไปหาการเสพครั้งใหม่เสพที่มันสุดยอดขึ้นไปอีกนะเราเอาเวลามาฝึกหัดจิตใจนะฝึกหัดจิตใจเพราะการฝึกหัดจิตใจเนี่ยเป็นงานที่เรียกว่าต้องใช้เวลาเนาะนะต้องให้โอกาสเขามากหน่อยนะ ขนาดเราเรียนหนังสือนะกว่าเราจะเรียนจบปัญญาตีนะต้องเรียนเป็นสิบกว่าปีการจะมาเรียนรู้ธรรมะการจะมาฝึกหัดจิตใจเองเราก็ต้องให้เวลานะให้เวลาเพราะจิตใจมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะเราก็ต้องให้เวลาในการศึกษาเรื่องจิตใจนะศึกษาเรื่องจิต ใ, นะใจคือศึกษาว่าอะไร คือศึกษาว่าที่จริงใจเอกนะมันก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันนะใจเองมันก็เป็นธรรมชาตินะมันมีขันนะถ้าเรื่องใจก็ขันสี่ขันนะ ม, มีเวทนานะความรู้สึกสุขทุกข์เฉยนะมีสัญญานะความจำได้ไม่รู้นะเป็นสมมุตินะรู้จักเรื่องสมมุติต่างๆนะ มีสังขาร น, นะนะมันต้องประมวลผลคิดต่างๆมีวิญญาณคือช่องทางของการรับรู้การส่งออกด้ยนะวิญญาณเหมือนกับประตูนะทั้งเข้าทั้งออกน ะ, นะเป็นตัวสื่อสารนะเหมือนโทรศัพท์นะใช้ทั้งรับใช้ทั้งโทรออกเลยเ น, นี้ยสื่อสารออกไปเนี้ยมันเป็นช่องทางของการติดต่อ โลกของเราเราก็มาดูที่จริงนะมันถ้าเราใช้ไม่ถูกมันก็ชวนหลงถ้าเราเราใช้ถูกมันก็ทำให้เรารู้ความจริงได้นะี่เรามาใช้เวลาในการฝึกตรงนี้นะในการมีสติคอยรู้ทันนะเช่นพอตาเห็นรูปปุ๊บนะเห็นนั่นนี่นะเช่นเห็นขนมอืม เราเห็นสักจะว่าเห็นอันนี้ก็เรียกว่ามีสติคอยกำกับแล้วเห็นแล้ววิญญาณเกิดขึ้นแล้วทางตามีสติรู้ทันแล้วนะมันอยู่มันเฉยเฉยนะเกิดเวทนาเฉยเฉยมันก็จบจะไม่ไม่ค่อยปุงต่อล้วแต่ถ้ามันเกิดเ อ, อสุขเวทนาเออชอบไอ้ขนมเนี่ยกินมันมีทั้งรูปที่สวยมีทั้งกลิ่นที่หอม มีทั้งสัญญาที่จําได้ว่าอันเนี้ยเราชอบเราอยากกินมันเกิดการปรุงแต่งต่อภายในใจแล้ะเราก็รู้ทันนะอเราก็รู้ทันนะเวทนานี้ก็เกิดขึ้นเร็วมากนะสัญญาณนี้ก็เกิดขึ้นเร็วมากนะสังขารปรุงแต่งก็เกิดขึ้นเร็วมากนะอเราต้องรู้ทันมันรู้ทันมันออืกระบวนการภายในจิตนั้ น, นแบ๊บเดียวนะ กระพริบตาหนึ่งยังถือว่านานนะแต่จิตที่มันปรุงต่อกันเนี่ยมันเร็วมากเร็วมากเราก็เราขัดสติแวบหนึ่งเนี่ยจิตมันปรุงไปได้เรียกว่ากระบวนการมันต่อเนื่องไปหลายขณะจิตเลยเรามีสติรู้ทันแล้วก็เห็นว่าเออตอนนี้นะจิตใจมันรู้สึกอย่างไรเนาะ บางทีมันกลายเป็นสุขละนะแค่ได้ปรุงแต่งนะแค่ได้เห็นขนมที่อร่อยเนี่ยจิตมันโอ้มันปรุงแต่งจนสุขเต็มที่ละนะมันอยากกินละเนะี่ยบางทีมันส่งผลต่อกายด้วยนะบางทีแค่เห็นอาหารเนี่ยน้ำลายก็ไหลละมันรู้สึกอยากขึ้นมาน้ำลายปฏิกยาของกายก็เกิดขึ้นมาละ เราคิดถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะบางทีมันปรุงจนทั้งมันเกิดอาการทางกายไปเวลาไม่พอใจอยู่นะโอ้ความร้อนก็เกิดขึ้นมานะหน้าแดงอนะร่างกายรู้สึกร้อนนะใจสั่นนะหายใจอึดอัดเลยนะ ม, มันมันส่งผลเร็วมากนะ เนเราก็ฝึกให้มีสติรู้ตัวนะคำว่ารู้ตัวก็คือว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับกายกับใจนะให้คอยให้สังเกตเขาให้ดูเขาสติแปลว่าการระลึกได้ก็คือระลึกว่าขนาดนี้ยสิ่งใดเกิดขึ้นกับกายกับใจนะให้เรารู้ทันสิ่งนั้นนะรู้ทันแบบไหน รู้ทันว่าอันเนี้ยคืออาการที่มันเกิดขึ้นในกายในใจนะสติเนะี่ยเหมือนเป็นผู้สังเกตการนะเหมือนเป็นผู้ที่คอยดูเขาเฉยเฉยนะเหมือนแยกออกไปแยกใจที่มีสติเหมือนเป็นคนที่มาสังเกตกายใจนะนะคือแต่ก่อนคือมันเป็นความเข้าใจผิดนะว่ากายใจมันเป็นเราแต่ เราลองเอาสติสติเป็นเหมือนผู้สังเกตหลวงพ่อคำเขียนัช้ใช้ว่าเหมือนเอาสติเป็นเหมือนนักศึกษานะกายใจนี่เหมือนเป็นตําราเป็นบทเรียนนะให้เราได้ได้อ่านได้เรียนนเะนี่ยสติก็เป็นผู้ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจนะศึกษาไปเรื่อยมันก็เกิดปัญญาไงนะการเรียนก็เปรียบเสมือนเนี่ยแหละเหมือ น, น กับการที่เราปฏิบัติทมนี่แหละนะการที่เราฝึกสตินี่แหละพอเรียนไปมากๆมันก็เกิดปัญญาเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วนะกายมันก็เป็นทุกข์นะกายมันก็ไม่เที่ยงนะกายมันก็ไม่ใช่ตัวตนนะมันเป็นเพียงแค่ธาตุสี่นะมาประกอบกันนะอนี่เห็นแล้วนะใจเองก็เหมือนกันนะใจก็ไม่เที่ยงนะ วันๆนหนึ่งนี่เปลี่ยนแปลงไม่รู้กี่อารมณ์กี่ความคิดเนี่ยเนี่ยมันไม่เที่ยงนะนะมันควบคุมก็ไม่ได้เลยน ะ, นะไม่อยากคิดก็ห้ามไม่ได้นะอยากจะไม่อยากทุกข์นะก็ห้ามไม่ได้อีกปฏิบัติธรรมอยากจะสงบมันก็ไม่สงบอไม่อยากง่วงนะ ก็ห้ามไม่ได้ไม่อยากเบือ่อก็ห้ามไม่ได้นะมันก็เกิดของมันเองเนะี่ยมมันก็แสดงความจริงให้เราเห็น น, นะเออ ม, มันมีเหตุมีปัจจัยทําให้เกิดขึ้นมานะคําว่าไม่ใช่มันเป็นอ น, นัตตา น, นี้ก็ไม่ใช่ว่าเกิดร ล, ลอยๆนะแต่หมายถึงว่ามันมีเหตุให้เกิดนะมีเหตุให้เกิดเพราะเราไม่รู้นะมันก็เลยหลงปรุงแต่งไปเลยนะกลายเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาในใจอเนะี่ย มันเป็นอนัตตาคือมันมีเหตุมีปัจจัยนะคาว่าไม่ไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยคือเหตุปัจจัยนั้นนัน่ะมันไม่ใช่เพราะพราะว่าตัวเรานะไปสั่งให้เกิดหรือไปสั่งให้มันไม่เกิดนะการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่คือการที่เราเอาเอาตัวตนไปบังคับอารมณ์นะไปห้ามความคิดไปไปสร้างความสุขไปดับทุกข์นะไม่ใช่ว่าเพราะเอาตัวตนเราไปทานะ แต่ให้เรารู้ว่าเหตุมันเกิดเพราะอะไรนะเหตุของความทุกข์เกิดเพราะตัณหานะตัณหาคืออะไรคือความอยากอนะยากกนะามมัดตัณหาคือความอยากนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันอยากนะอยากอะไรนะอยากรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมรมที่พอใจนะ่นะ นะอยากได้รูปที่พอใจนะรูปเนะี่ยคือสิ่งที่เห็นนะทางตานะหนูก็อยากได้ฟังเสียงที่เพลาะนะที่ที่ชมเรานะจมูกก็อยากได้กลิ่นหอมๆนะกลิ่นเหม็นๆไม่อยากได้ลิ้นก็อยากกินอะไรที่อร่อยนะแต่อร่อยมันก็สมมุตินะเราก็ดูหไหมอะไรอของเราอาจจะไม่อร่อยของเพื่อนอร่อยของคนไทยอาจจะไม่อร่อยของคนจีนนะ เนี่ยสมมุติทั้งนั้นนะเราก็หลง อ, อันนี้เราว่าอร่อยแกทำไมว่าไม่อร่อยนะอันนี้เราชอบอันนี้แกทำไมไม่ชอบนะก็มันเป็นสมมตินะ่ะสมมตินะ่ยอันนี้ว่ากามตัญหานะทัญหาในกามนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันสมมุติสร้างขึ้นมาแล้วเราก็หลงสมมตินะ่ะแล้วก็ แย่งชิงกันสมมุติน่ะทะเลาะกันด้วยสมมุติน่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้นะสมมุติน่ะนื้อปรการมรติฐานะภาวะตัญหาน่ะคืออยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอานะอยากได้ตำแหน่งอยากได้การยอมรับอยากได้ความเข้าใจจากคนอื่นนะอยากได้สิ่งดีๆอยากได้ความสุข อยากได้ความไม่ทุกข์เนี่ยน่ะคืออยากได้เป็นตัวเป็นตนอะไรสักอย่างหนึ่งนะอือเป็นตนที่มีความสุขเป็นตนที่มีเป็นคนดีนะเป็นตนที่สงบเป็นตนที่บรรลุธรรมนะแต่มันเป็นตัวเป็นตนนะนะเป็นเดานะน่ะคนสมัยนี้ก็หลงตัวนี้เยอะนะเอสร้างตัวตนบางทีมันก็พูดย่านนักเาว่าแบบ มันเป็นสไตล์แบบนี้นะคือจริงสไตล์มันก็คือตัวตนนะ่ะสร้างตัวกูขึ้นมานะเราไม่เหมือนใครนะเราเป็นมีสไตล์ของเราเองเลยนะอืทีก็คือการสร้างอัตลักษ์สร้างตัวตนขึ้นมาแล้วก็หลงนะเราเป็นแบบนี้ทําไมคนอื่นไม่เห็นว่าเราเป็นแบบนี้นะเริ่มเพศก็ดีนะทําไมเนี่ยนะเราเป็นแมนนะเราเป็น ผู้หญิงจริงๆนะหรือเราเป็นเพศทางเลือกนะอนะไเนี้ยก็สร้างตัวตนขึ้นมานะหลายๆอย่างมันมีหลายแบบนะสร้างภาพให้ดีก็มีบนะางคนดีไม่ได้ก็กูก็เลวไปเลยก็มีก็สร้างภาพอีแบบหนึง่งนะก็หลงเป็นตัวกูของกูขึ้นมานะหรืออยากจะเป็นอยากจะบรรลุธรรมมากๆนะก็เป็นทุกข์เหมือนกัน คือพวกเนี้ความอยากนั่นนะเมื่อมันได้มันก็มีความสุขเมื่อมันไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์แต่จริงมันตั้งแต่ตอนอยากแล้วมันก็กลายเป็นทุกข์ก่อนนะมันต้องได้มาก่อนมันถึงจะหายทุกข์แต่จริงมันก็หายทุกข์ช่วขนานึงนะมันไม่ได้จะหายทุกข์จริงๆหรอกถ้ามันยังมีตัณหาความอยากเป็นตัวสร้างนะสร้างภพสร้างชาติขึ้นมา วิภาวะตัณหาคือความไม่อยากก็เหมือนกันนะก็เป็นทุกข์นะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอาโอ้เอมันคิดนะไม่อยากให้มันคิดนะมันโกรธไม่อยากให้มันโกรธนะคนมาว่าก็ไม่อยากให้มันว่านะมันทุกข์ก็ไม่อยากให้มันทุกข์นะไม่อยากได้อารมณ์ที่มันไม่ชอบนะไม่พอใจนะไม่อยากได้ทุกข์นะเนบวิภาวะตัณหา ก็เป็นความคิดบางทีเราคิดปฏิบัติทำแล้วมันจะต้องสงบนะมันจะต้องไม่ง่วงก็ไม่อยากได้มันนะจริงก็ไม่ใช่นะอยู่วัดแล้วแต่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช่นะอมีร่างกายก็ต้องมีปัญหาเนี่ยก็ใช่แล้ว น, ะนี่คือเรามองเห็นว่าที่จริงมันทุกข์เพราะทีเราไปปฏิเสธความจริงแล้วเราไม่อยากได้มันนะแต่ถ้าเรามีสตินะ จะดูดออกมาจากตันหาทั้งสามแบบเลยนะคือมันเกิดตันหามันเกิดการสร้างภบสร้างชาติขึ้นมาคือมันปรุงแต่งหลายกระบวนการนะจสรเกิดการสร้างภบสร้างชาติเป็นทุกข์ขึ้นมาพอเรารู้เท่าทานันปุ๊บมันจะดูดออกมาจากบงองตรงนั้นนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือน ลูกบอลนะมันกิ้งกิ้งนี่กินไปนะพอเราพอเรารู้ทันมันเหมือนเมียอะไรก็เดินกระเด็นออกมาจากตรงนั้นนะดูดออกมาดูดจากวงโคจรตรงนั้นนะถ้าเปรียบเหมือนกับเหมือนถ้ารถชนกันเราก็เดินออกมาจากรถนะแต่แต่หมายถึงว่าแต่รถชนก็เด็นออกมาจากรถมันอาจจะอันตรายนะแต่หมายถึงว่าแต่นี้มันดูดออกมามันปลอดภัยกว่าความหมาย เราเอาะไรมาเปรียบเทียมมันชัดๆแต่มันเหมือนว่าพอหลุดออกมานะเราจะเห็นว่าโอ้อมือจิ้มปุงแต่งไปเยอะเลยนะเมื่อกี้มันเป็นอะไรเนี่ยนะเราจะเห็นเออจิตมันหลุดออกมาจากสภาวะตรงนั้นมันจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนี่เราฝึกให้มันรู้ทันตัวเองบ่อยๆนะมันจะเห็นว่าอ้มันก็เป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะ แต่ถ้าเราไปยึดเน่ยเรากลายเป็นตัวเราเป็นทุกข์เป็นสุขเลยนะกลายเป็นเราเจ็บกลายเป็นเราแก่กลายเป็นเราจะตายนะกลายเป็นเราคิดดีกลายเป็นเราคิดไม่ดีนะกลายเป็นเราชอบกลายเป็นเราไม่ชอบกลายเป็นเราสุขกลายเป็นเราทุกข์แต่ถ้ามีสติดูนะมันจะถอนออกมาอืมันจะแยกกันอยู่นะทุกข์ก็มีอยู่นะแต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์นะ มันเป็นร่างกายที่ทุกข์นะมันเป็นจิตใจที่ทุกข์มันอยากนะแลก็ไม่สนองมันเนี่ยมันเป็นทุกข์นะก็ใช่ก็ถูกเลยแต่มันเป็นใจที่ทุกข์ไม่ใช่ว่าเราทุกข์เนี่ยมันจะเห็นนลยนะแต่บทีมันทนยากเพราะว่ามันมันทรมานเนาะมันกายทุกข์ก็ทรมานแล้วใจทุกข์เนี่ยก็ยิ่งทรมานอีกนะแต่ถ้ามีสติจะเห็นเออ มันเป็นทุกข์ของกายเ น, น, นี่ยอันเนี้ยอกายมันทุกข์มันไม่ทุกข์ของใจนะมันดิ้นรนมันอยากจะได้นะแต่เราเห็นก็ทุกข์ของใจนะเนี่ยพอเห็นแบบนี้นะมันจะอืมไม่เป็นไรหรอกนะกายก็ดูแลมันไปนะถ้ามันทุกข์เพราะว่าความอยากก็ไม่ต้องสนองมันก็ได้กายนนะแต่ถ้ามันทุกข์เพราะความจําเป็นนะ มันหิวต้องกินมันเมื่อยต้องพักผ่อนต้องนอนเออไอแบบเนี้ยทุกแบบเนี้ยกบบ็ก็ดูแลช่วยเขาหน่อยนะก็ไม่ได้อะไรอยู่นะแต่ทุกพดใจมันยากนะเพราะมันยึดในความคิดยึดในอารมณ์เนี่ยเอ้ามันละได้ทันทีเลยนะ อ, อืไม่ต้องไปรอแก้ทุกตอนไหนนะทุกทางกา ย, ยต้องแก้ต้องอาศัยสิ่งอื่นมาช่วยนะ หนาวก็ต้องอาศัยเสื้อผ้าเข้าหม่มนะหิวก็ต้องอาศัยอาหารมารับประทานไม่สบายก็ต้องอาศัยยามารักษาหมอมาตรวจโรคนะคนมาดูแลนะทุกทางกายต้องอาศัยสิ่งอื่นมาช่วยเยอะนะแต่ทุกทางใจเนี่ยให้เดาดับก่อนเลยนะทุกพราความยึดมั่นถือมั่นนะในกายในใจนะ เป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยเราละมันได้ก่อนเลยนะเราให้เราดับทุกทางใจก่อนดับทุกทางใจด้วยการมีสติรู้ทันนะเห็นมันนะดับเหตุของความทุกข์คือความอยากนะรู้ทันความทุกข์นะมันจะละความอยากมันก็กลายเป็นความไม่ทุกข์ขึ้นมาในขนาดนั่นแหละนะอริยสัจสี่เนี่ยมันมันคือชั่วขนาดหนึ่งนะ จะเดินอย่างหนึ่งนะมันครบทั้งสี่อย่างนะอย่างที่เราเน้นอ่ะเราเน้นว่าเราจะเดินมร ก, ก็ได้นะจะเดินมรกเนะี่ยมันก็คือการเห็นทุกคือการละตัณหานะอ่าเขาทำนิโรนให้แจ้งขึ้นในขนาดนั้น ท, นทันทะีมันมันสมบูรณ์อยู่ด้วยกันนะแต่เพียงแต่ ว, ว่าบางทีเราพูดถึงหน้าที่นะมันต่างกันแต่จริงไม่เหมือนรถอ่ะนะ ล้ทั้งสี่ล้มันไปพร้อมกันเลนะแต่มันแยกมันอยู่คนละด้านนะแต่ถามว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ไปคนที่คนละทางนะเราขับเคลื่อนไปมันก็ไปข้างหน้าก็ไปข้างหน้าพร้อมกันถอยหลังก็ถอยหลังไปพร้อมกันนะอริยสัจสี่นะเวลามันแจ้งเราถ้าแจ้งทั้งหมดนะและนะเอนะไม่ใช่แจ้งแต่เรื่องทุกแต่อย่างอื่นไม่รู้ได้ไม่ได้นีก็ไม่ใช่นะอืม นะให้เราตั้งใจใส่เวลาที่เหลือนะในชีวิตนี้นะตั้งใจทำความดีนะตั้งใจละความชั่วตั้งใจศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันจะได้เป็นที่พึ่งนะมันจะได้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะฝากไว้นะครับ